เลิกใช้ยังนะไมเต้างปลมมาแล้วเนาะเพระหลวงพ่อมาแล้วเรียนธรรมะนะอย่าไปวาดภาพธรรมะให้มันยุ่งยากธรรมะไม่ใช่ของยุ่งยากไม่ใค่ของซับซ้อนเะไ ร, รอกเรียนธรรมะก็เพื่อปลดเรื่องความทุกข์ออกแกะใจเราให้ได้ไม่วัตถุประสงค์หลักจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้อะไรนักหนาอยู่แค่ว่าทำยังไงจะไม่ทุกข์เท่านั้นแหละ ความทุกข์มันอยู่ในกายความทุกข์มันอยู่ในใจอยากจะพ้นจากความทุกข์ก็ต้องมาเรียนรู้มันความทุกข์มันเข้ามาอยู่ในกายในใจได้ยังไงถ้ารู้ทันมันทีจริงก็ไม่เข้ามาแต่ความทุกข์ทางกายนะห้ามมันไม่ได้หรอกะถ้าตามรู้ตามดูกายไปเรื่อยรู้ว่าห้ามมันไม่ได้หรอกมีร่างกายนะเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หายในร่างกายมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์อย่าง ห้ามมันไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็เจ็บป่วยไม่ใช่ไม่ป่วยเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองการมีวันหนึ่งไปบินทบาทมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเขามาใส่บาทมาตักบาทใส่เราตัดโรคตัดภัยให้หลวงพ่อเอนะาไหว้เอาโรคภัยไข้เจ็บสวายนะอีวันเราไม่สบายไปเลยนะตอนนั้นผู้บ้าอ้ายยังไม่ได้บวชนะ ก็ให้ไปบอกโยมวันนี้หลวงพ่อไปบินสบัติไม่ได้นะใครขึ้นโยมอุทานด้วยความตกใจฮะแล้วก็ป่วยเป็นเหมือนกันเหรอเ น, นี่ยเชดอะไรพิลึกในร่างกายนี้ยังไงก็เจ็บก็ป่วยนะห้ามมันไม่ได้ร่างกายนี้ยังไงก็แก่ก็เจ็บก็ตายห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทําใจได้เราอยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตาย ถ้าจิตพยยอมรับความจริงอย่างนี้ได้ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในร่างกายมันก็พอรับได้รับได้อย่างถ้าเรายอมรับได้นะว่าเราต้องแก่เวลาแก่ก็ไม่กลุ้มใจสาสาวนึกออกไห้สิ่งการแรกขึ้นรู้สึกยังไงอันแรกขึ้นรู้สึกสาหัสสาการเลยใช่ไหมแต่อันที่ยี่สิบขึ้นนี่เฉยๆแล้วเพราะอะไรเพรายอมรับได้แล้วมันแก่่ะ ถ้าใจเรายอมรับความจริงนะร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ก็ไม่ทุกข์ใจมากทุกข์มันก็อยู่เฉพาะร่างกายจิตใจมันก็ไม่ทุกข์ด้วยคนระับบางคนนะอยู่ๆไปตรวจร่างกายแข็งแรงดีหรอกนะไปตรวจเจอมะเร็งเห็นมะเร็งนะไม่ทันจะเป็นอะไรหนักหนาอะไรชอบตายแนละ้วเป็นมะเร็งขึ้นมาก็รุ่มใจเมื่อทั้งที่ความเจ็บปวดปวดยังไม่ทันจะเกิดขึ้นเลยเปนขั้นแรกๆ ร, รุ่มใจรุ่มใจมากๆ แล้วแจยอมรับความจริงไม่ได้แล้วร่างกายนี้มันต้องเจ็บงั้นเราค่อยๆฝึกใจของเราไปนะมาเรียนรู้ร่างกายไปด้วยเลยร่างกายนี้มันเจ็บเล็กเจ็บน้อยอยู่ทั้งวันอยู่แลเรานั่งอยู่เดี๋ยวก็เมื่อย น, ะนั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวต้องการขับถ่ายนี่ร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งนั่งไปเพราะคันใครมานั่งรับขันบ้างแล้วมีไหม กาทัศน์เท่านั้นนะ่ะกำลังเกายิ้ยิ้อยู่แต่ไม่รู้ <c oughs> จริงๆถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายนะเราจะเห็นในร่างการนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้ไ ม, นไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ใช่ตัวสุขที่แท้จริงหรอกนี่ยเราค่อยมีสตินะรู้สึกกายได้ดยคอยดูความจริงของกายไปแด้วถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็เกิดร่างกายที่มันทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ของดีของพิเศษเหมือนที่นึกไว้แต่แรกหรอก เรเห็นความจริงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ของดีของพิเศษเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่หวงแหนมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่หวงแหนมันเพราะมันเป็นตัวทุกข์มันไม่ใช่ของดีนี่ที่ผ่านมาเวลามันแก่มันเจ็บมันจะตายอะไรนี้เราผลไม่ได้เพราเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของดีของพิเศษเรามาหานเจริญสตินะเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆเห็นมันมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้เรื่อยไป ใจยอมรับความจริงได้ร่างกายไม่ใช่ของดีอย่างที่คิดหรอกนะเป็นที่ตั้งของความทุกข์นานะชนิดเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้ไดนะ้อะไรจะเกิดขึ้นในกายนะมันก็ทุกข์อยู่ที่กายเนทะ่านั้นมันไม่ทุกข์เข้ามาสิงใจนะนี่ในส่วนของจิตใจบ้างเราก็ไม่เรียนรู้ความจริงของ จ, งจนะิตใจกรรมฐานไม่มีอะไรมากหรอกนะถ้าไม่รู้กายก็มารู้ใจนะความจริงของชีวิตชีวิตเราก็มีแต่กายกับใจนี่แหละ เรารู้คอยมีสตินะเราคอรู้ทันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเรื่อยๆอย่างเราบางคนขายของวันนี้ปนไปขายของไม่มีลูกค้าเลยใจฝ่อเนี่ยเรารู้ทันใจที่ฝ่อหรือเป็นผู้จัดการนะวันนี้นายเรียกไปนะใจเต้นเลยไม่ต้องจะโดนดุอะไรเนี่ยสมมติกาลังขี้เกียจอยู่ช่วงนี้ขี้เกียจพอนายเรียกนะใจไม่ค่อยดี หรือเวลาช่วงนี้ทํางานดีคิดว่านายต้องเรียกไปชมนะเราได้รับการเรียกนะั้นดีใจถ้าไม่เรียกรู้สึกผิดปกติน่าจะเรียกนะน่าจะชมเราบ้างนะในการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายให้เรามีสติให้แล้วคอยตามรู้ความรู้สึก ใครถามรู้จิตใจที่มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันทํางานทั้งวันทั้งคืนใครรู้สึกไปคนในโลกนี้นะมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจตลอดเวลาชอบหลงพิคิดเวลาเราหลงพิจิงเก็นไหมเวลาเราคิดเราไปรู้เรื่องที่คิดแต่เราจะลืมกายลืมใจเงื่อนการปฏิบัติทําไม่มีอะไรมากเวลาใจเราหลงไปคิตรีบรู้ไวๆพอเรารู้ทันว่าใจหลงไปคิดนะใจจะตื่นขึนะ้นมา มันจะสามารถดูกายสามารถรู้ใจได้ดูกายก็เห็นไปมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดูจิตใจดูไปมีแต่ความไม่เที่ยงอย่างจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขใช่ไหมบางทีก็มีความสุขขึ้นมาความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป <S <S เดี๋ยวก็มีความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดีใจเสียใจทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นมาจะโลกจะตกรธจะหลงอะไรก็ตามเถอะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไป นี่เราคอยมีสติตามดูไปนะในใจเรานี้ทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปดับไปดับไปกานที่เราคอยรู้คอยดูอยู่เรื่อยๆนะไม่ลั้นเลยดูอยู่เป็นประจำดูไปมากๆบางคนดูเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเลยนะดูไปจนบรนึงใจมายอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยนะสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวโรคปวดลงก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยนะ พอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนะี่ยคราวนี้เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราไม่หลงระเริงละเพอะความสุขหายไปเราก็ไม่เสียดายนะไม่ทุรนทุรายเพราะความสุขหายไปนะถ้าเรารู้ว่ามันของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่ทุรนทุรายถ้าเรารู้ว่าชั่วคราวไม่ต้องเกลียดนเลยความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนกันเนี่ยการที่เรามามีสติคอรู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวน ถ้าตัวอย่างมั น, นของโชคเก่าแล้วเราจะไม่กลัวความสูญเสียคนในโลกไม่กลัวความสูญเสียนะหรือถ้ายังไม่มีก็อยากมีขึ้นมาพอมีแล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียไปแต่ถ้าใจเราเห็นความจริงทุกอย่างมันของโชคราวความสุขก็โชคเก่าใครเคยมีความสุขตลอดเวลานี้ไหมความสุขที่ไม่เคยหายไปมีไหมไม่มีนะลองนึือกดูในชีวิตเราเนี้ยมีไหมความทุกข์ที่มีตลอดเวลา ไม่มีนะความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะอย่างบางคนทุกข์นานหน่อยอกหักใครเคยอกหักบ้างบากคนสุมเมศุถามทีไรยบก่อนทุกข์จีเกําแังจะประกาศเมื่อตอนนี้ยังโสดใช่ไหอกหักแล้วโสดคนไหนไม่เคยอกหักนะชีวิตไม่มีรสชาติไม่รู้จักว่าความทุกข์เป็นยังไงใครเคยคนที่เรารักตายแนละ้ว พ่อแม่ตายสามีปัญญาตายใครเคยมีลูกตายบ้างมีไหมมีลูกตายเนื้อชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่สมบัตินะความคลาดคลาดถ้าใจเราคิดแบบว่าทุกอย่างต้องถาวรทุกอย่างต้องถาวรแล้วพอเราเจอกับความเปลี่ยนแปลงแล้วเรารับไม่ได้เลยใครเคยรวยบนะ้างมีไหมใครเคยรวยนะแล้วฟองสบู่แตกเพรามันไม่รวยตอนนี้นะเวลาเคยรวยในชะ่ไหมแล้วพอมันไม่รวยนะเฉาเลยใช่ไหม สมมติีเคยมีเงินน้อยล้านเหลือล้านเดียวเฉาเลยแทบจะตายนะแล้วจะขาดใจตายแนละ้วคนเคยมีเงินสองร้อยบาทวันนี้มีพันบาทมีความสุขแล้วมีไม่ถึงล้านก็มีความสุขนะเราะั้นเราอยู่ที่ใจเรานี่เองแล้วใครมีสตริรู้ติตใจของเราไปเรืนะ่อยความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวอะไรอะไรก็ของชั่วคราวนะถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าอะไรอะไรก็เป็นของชั่วคราวเนะี่ความทุกข์มันจะตกหายไป เวลาเราพลัดพลากจากสิ่งที่รักเนะีเราก็รู้เนี่ยคนที่เรารักในะวันหนึ่งก็ต้องพัดพลาดไปนะหรือเราสูญเสียมีเงินมีทองเงินทองสูญหายไปเงินทองมันเป็นของโลกมาอยู่กับเราเช่วอฟังเชื้อเปล่แล้วมันก็ไปไม่มีใครหนะ้าเก็บเงินเก็บทองติดตัวไปได้ตลอดเวลาไม่มีอยู่แล้วความสุขทั้งหลายที่เราไปเกียบสกายหามาคนทั้งหลายเนี่ยไปเก็บสกายหาความสุขตลอดชีวิตเลย เหมือนเหมือนจะได้แตไไ่ไม่ได้ไม่ได้อย่างใจมีความสุขขึ้นมาโชคดังโชคราวความสุขก็หายไปอีกะอะไรๆในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวนะฝึกเพื่อให้เห็นตรงนี้นะฝึกบ่อยๆแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะถ้าเราเห็นในกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจนี้ก็มีแต่ความชั่วคราวทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่เป็นไปตามใจอยากนะ อย่างร่างกายเนี่ยเราอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดอยากให้แข็งแรงตลอดมันก็ไม่เป็นอย่างใจอยากใจเราเราอยากให้มันมีความสุขตลอดมันก็ไม่เป็นห้ามมันไม่ให้มีความทุกข์นะมันก็ไม่ฟังนะมันก็ยังทุกข์ได้อีกสั่งไม่ให้มันชั่วมันก็แอบชั่วอยู่เรื่อยๆยิ่งภาวนาเก่งจะรู้เลยว่าทาชั่วบ่อยมากเลยใจเนี่ยไหลไปเกิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยต้องค่อยเฝ้ารู้เข้าดูไปนะจะเห็นว่าของมันบังคับไม่ได้ มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ข้าดูไปมากๆแตใจจะคลายความยึดถือในกายในใจอะไรเกิดขึ้นในกายไม่กลุ่มใจอะไรเกิดขึ้นในจิตใจไม่กลุ่มใจข้ารู้ตรงนี้นะจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงได้ความทุกข์มันจะตกหายไปธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากเป็นธรรมะที่เราต้องดูเอาเองก็งฝึกเอาเองเป็นธรรมะของคนที่พึ่งตนเองไม่ใช่ธรรมะที่หวังพึ่งสิ่งอื่นๆ อย่างเชมาขอพรนะมาจุดธูปจุดเพียนไปไหว้พระพุทธสีหิงไหว้พระท่องพระทาตเลยนะอธิษฐานนะขอให้มีความสุขขออะไรนั้นได้แต่ความสบายใจหรอกว่าได้ขอแล้วจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามใารกระทําของเราเองเป็นพฤติกรรกรรมของเราศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนร้องขอให้ใครมาช่วยเราหรอกเทวดายินดลมอะไรเพราะก็ลําบากของเขาอยู่แล้วต้องช่วยเราจริงจังอะไรนั้นไม่ได้หรอก เราแต่เรคนเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมของเราแต่ละคนเองนี่ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของการพึ่งตัวเองอยากได้ความสุขนะอยากจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องพึ่งตัวเองอยากได้มากกว น, นิพพานก็ต้องพึ่งตัวเองใครๆก็ช่วยเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ช่วยเราได้แค่บอกทางให้เราเดินเท่นั้นเองทางเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นะก็คือมีสติรู้กายรู้ใจทางความเป็นจริงเรื่อยไปความจริงของมันก็คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอะไร คอยรู้กายคอยรู้ใจด้วยดูมันแสดงใจรักเหมือนจังทุกข์ผ่นานแววไปถ้าใจเห็นความจริงนะั้นใจจะคลายความยึดถือออกไปพระเจ้าเคยสอนนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือถ้าคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดแล้วใจมันจะโล่งโปร่งเบานะั้ะใจมันไม่เข้าไปหยิบเฉยอะไรอีกใจของเราที่ยังไม่พ้นเลยจะเข้าไปตะครุบอารมณ์ตลอดเวลาไปเกิดไหมใจจะ ก, กระโดดใส่อารมณ์ตลอด ถ้าภาวนาเป็นนะดูจิต ด, ดูใจเป็นจะเห็นว่าจิตโดดสะทุบอารมณ์ทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งคืนไนั้นสะทุบขึ้นมาตีอไรความทุกข์เกิดขึ้นเป็นภาระขึ้นมาทุกปีแต่ถ้าจิตใจได้รับการฝึกหัดนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้ว่อยไปมันเห็นในทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะย คลายความยึดถือไปนะั้นไม่ไปแบกบไปหามมันนี่มาใจก็โปร่งโล่งเบานะใจจะมีความสุขมากไม่มีอะไรเหมือนขอกความสุขของธรรมะความสุขอย่างลอบๆเป็นความสุขที่ต้องยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาความสุขในธรรมะนะั้นไม่ได้ยิงอาศัยใครนะพึ่งตัวเองแท้ๆเลยน้ําพักน้ําแรงแท้ๆเลยนะมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปสติก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นไปเองรู้กายรู้ใจก็ดูกายดูใจของตัวเองไป เนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปอย่าใจลอยคนเราส่วนใหญ่ชอบใจลอยใจลอยแล้วก็ลืมกายลืมใจไม่ได้รู้กายรู้ใจต้องคอยรู้กายต้องคอยรู้ใจบ่อยๆนะเราเคยได้ยินคําว่ามั่งผลนิพพา น, นอยากมีมั่งมีผลขึ้นมานะต้องรู้กายรู้ใจนะไม่มีทางเลือกที่สองไม่ใช่ไปร้องขอขอให้ได้มั่งได้ผลใสบาตแล้วก็ขอนะนิพพานนะปัจโหโตโุขอไปเถิดพระที่รับบาทก็ยัง อาตมาก็ไม่มีเหมือนกันนะเพื่อขอเอาไม่ได้อยากได้มเกตตานิพพานนะอยากจะพ้นทุกข์จริงๆต้องเจริญสติเอาเนี่ยไม่ใช่ว่าเจริญสติอย่างเดียวนะคุณงามความดีทั้งหลายต้องทําทั้งนั้นศีลก็ต้องรักษาคนที่ไม่มีศีลใจไม่สงบใจยากู้สร้างก็คืออย่างง่ายๆนะถ้าเราจะโกหกใครสักคนเราต้องคิดใช่ไหมคิดที่ไม่สงบนะต้องวางแผน โกหกเขาเชื่อไหมพรอโกหกคนนี้เสร็จแล้วจเจออีกคนนึงโกหกอีกอย่างเลยเนี่ยต้องใช้ความจํามากเลยเกิดโกหกแล้วอีกวันนึงไปพูดอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนี่เสียหายใช่ไหมแม้กรน ะ, ะาทั่งโกหกนายัางเหนื่อยเลยต้องปรุงแต่งต้องคิดมากไปกินเล่าก็ต้องคิดมากนะหาเงินมากินก่อนนะแล้วไปชวนคนมากินกินคนเดียวก็ไม่ดีอีกเหงาเหงาลวงพ่อเคยเจอที่เมานะเพื่อนกันนี่ หลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์เหมือนท่านแหนมเพอเนี่ยแหนมเพอไดรุ่นพี่หลวงพ่อปีท่านสุรินเพราะรัตศาสตร์มีอยู่กลุ่มและชอบกินเหล้าเนอยเวลาจะกินเหล้าลต้องชวนเพื่อนไปกินด้วยมันอ้างพุทธภาษิตได้นะบอกว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขนม่มีพุทธภาษิตนะลงลงนัง่งรอกลอ ง, ง, ง, งด้วยกันมีเพื่อนคือสิเวลาจะกินเหล้าใช่ไหมก็ต้องจิตใจวุนว่นวาย สติวุ่นวายจะเปนชู้กับเขาใช่ไหมใจสงบไหมใจก็ไม่สงบนะอืใจก็วุ่นวายจะวางแผนไปฆ่าเขาไปตีเขาใจก็ไม่สงบใจก็วุ่นวายใจที่ไม่อาฆาตมากร้ายนะใจที่ไม่ละโมบลบมากไม่เอาของใครเขาใจที่สันโดษอยู่ในผู้ของตัวเองอะไรใจอย่างนี้สบายนั้นการที่เรารักษาสีน่ะเมื่อกี้มาหลักขอสีนไปแล้วรักษาไว้แล้วใจมันจะสงบ ถ้าเรามีสีแล้วใจเราจะสงบนะคนไม่มีสีใจฟุ้งซ่านอใจสงบแล้วอยาให้มันสงบอยู่เฉยๆพอใจสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านมากไปแล้วนะค่อยมารู้กายค่อยมารู้ใจตัวเองไปคุณงามความดีทั้งหลายเราทําทั้งนั้นไลยมีศีลใช่ไหมใจที่สงบใจที่ตั้งมั่นก็มีสมาธิมาค่อยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าเจริญปัญญาเคยได้ยินไม้มสีสมาธิปัญญา ภาษีสมาธิปัญญานี่มันเป็นบากเป็นฐานสนับสนุนกันขึ้นไปเป็นลําดับลําดับมีสี่นั่นเป็นพื้นฐานนะทําให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาใจใน่ฟุงงซ่าน ใ, ใจสงบใจตั้งมั่นแล้วค่อยมารู้กายรู้ใจเรียกว่าเจริญปัญญานะเจริญปัญญาไม่ใช่ไปเรียนตำลุตำรงําลาอะไรมากมายนะอย่างนั้นเรียนมากๆก็ดีเหมือนกันได้ความจําพอแก่ๆนะหรือสอบเสร็จเดี๋ยวก็ลืมลนะบางคนเรียนธรรมะเยอะเลยเท่องอะไรได้เยอะแยะไป แต่เดี๋ยวเยวก็ลืมแล้วพอสอบเสร็จก็คืออาจารย์หรือการเจริญปัญญาจริงๆก็คือมีสติรู้กายรู้ใจไปดูความจริงของกายของใจซึ่งมันเป็นใจลักคนะก า, ารพาวนาก็มีอย่างนี้นะรักษาศีไว้มีสีแล้วใจสงบใจสงบแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายทํางานดูใจทํางานนะแต่ละวันแต่ละวันเราก็พาวนาของเราไปอย่างนี้แหละในะนมันหนึ่งใจมันก็ฉลาดขึ้นมาเห็นความจริงแนละ้ว ทั้งกายทั้งใจเป็นไม่ได้วความทุกข์เพราะเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เราจะไม่ยึดถือทุกวันนี้เรายึดถือกายยึดถือใจเพราะว่าเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นําความสุขมาให้เราได้แต่ถ้าเรามีสติจริงๆเราเห็นกายนี้มันทุกข์นะใจนี้มันทุกข์อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อตอนภาวนานไม่เป็นตอนเด็กๆนะเวลานอนนี่รู้สึกมีความสุขพวกเราตอนนี้ใครยังรู้สึกมีความสุขตอนนอนมีไหมสารภาพสินะลองยกมือให้ดูแก้ง่วงนะย เยอะเลยนะรู้สึกนอนแล้วมีความสุขลงแก่ๆหน่อยจะรู้เลยนอนก็ทุกข์นะนอนโอ้เมือ่อยแล้วพลิกอีกทีพลิกแรงไปก็ตื่นนะ <S <S 1> <S 1> มันมันทุกข์ทุกข์อิริยาบถอะไรยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเราเห็นว่าเป็ น, เ ป, นเป็นตัวทุกข์นะมันไม่เสียดายแล้วถ้าถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายมันเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษถ้าจะตายอย่าเสียดายถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันจะตายเสียดายอะไรไ่ม ไม่เสียดายนะกลับจะร่าเรงใจเลอพนสตินะพลพลไปสติเนั่นอยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าฝึกสติรู้กายรู้ใจให้มากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะกระทั่งตัวเราเองจะตายอย่าว่าแต่ว่าคนที่เรารักตายคนที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองนี่กระทั่งตัวเราเองจะตายเรายังไม่กลุ้มใจเลยนะเราจะจนลงบ้าง น, นะยังพอหากินได้ไม่รวยมากเหมือนคนอื่นมันก็ไม่กลุ้มใจนะ อย่างคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะคนรวยๆเยอะนะแต่ไม่ใช่ว่าวัดหลวงพ่อเปิดรับเฉพาะคนรวยแต่บางทีคนจนๆไม่กล้าเข้ากลัวเองอเห็นรถยนต์นเยอะเลยไม่กล้าเข้าะอย่ากลัวนะะคนไหนเข้าว่าหลวงพ่อไม่เสียสตังนะไม่มีเรื่องอะไรหรืคนยากคนจนอะไรก็ไปเรียนได้มีคนมาบอกหลวงพ่อเรืเลยว่าประเทศนูน้นประเทศนี้ฟังซีดีหลวงพ่อเลยฟังก็เฉยๆนะ ก็ก็ไม่งงัวปวดฟังที่เด็ดนั้นนาะฟังแล้วมันก็สติมันเกิดแล้วฟังไปสิแต่มีวันนะคนมาบอกว่าเนี่ยคนฉี่ซ้าเล้งอะนะซื้อของเก่าๆซื้อปวดซื้ออะไรมันเปิดฟังไปด้วยหูยเราฟังแล้วดีใจนะธรรมะนงไปถึงคนยากคนจนคนที่ทุกข์ยากอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีอย่างอื่นแล้วก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งได้น่าพึ่งใจได้ข่าวตามร้านโซ่หวยนะ เปิดพีดีเราฟังไปนะใครดูจิต ด, ดูใจใไปนั่นเวลาเรามีความทุกข์นะเราอยู่กับธรรมะเนี่ยยิ่งชีวิตเราเอาแน่นอนไม่ได้เลยคนยากคนจนคนลําบากไปเนะี่ยธรรมะเป็นของกลางนะเสมอภาคนะไม่ใช่ธรรมะเป็นของคนร่ําคนรวยอย่างเดียวหรอกไม่ใช่ของคนเรียนหนังสือเยอะๆอย่างเดียวหรอกธรรมะเป็นของกลางของทุกคนนะถ้าสนใจถ้าตั้งใจฟัง สังเกตจิตสังเกดใจไป้ัก็พ้นทุกไปด้วยกันแล้วไหลนะค่อยๆฝึกไ ป, ปน ะ, ะเทศเท่านี้ก็พอแล้วนะเทศเยอะเราขี้เกยเยียจฟังมีใครจะคุยไหมมีใครจะคุยไหมหลวงพ่อชอบนะเวทีขนาดนี้ไปเทศแต่ละแห่งแต่ละแห่งควรเป็นพันพันสองพันสามพันห้าพันเนเทศแล้วมันห่างไกล อย่างนี้ดูใกล้ชิด น, นะใครชอบบอกเรื่องว่าเข้าไม่ถึงหลวงพ่อวันนี้เข้าถึงแล้วมีอะไรคุยไหมีหลวงพ่อให้เงินไปได้สมัยนั้นนักศึกษาหลวงพ่อครับผมเคยส่งไปบ้านหลวงพ่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับล่าสุดก็หลวงพ่อให้ไล่ไปเริ่อยๆนะครับเพราะว่าติดเท่งครับก็ พยายามก็ผ่อนคลายลงมาครับจนวันหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะปฏิบัติอะไรก็ขับรถอยู่ปรากฏรู้สึกว่ามันเห็นการทํางานแล้วก็มีจิตใจทํางานแล้วก็มีมีตัวรู้อยู่อย่านี้ครบหลวงพ่อครับก็ไม่ทราบว่ามันเกิดหรือหลอกเกิดหรือไม่เกิดจริงสิรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนไป คือนะเห็นไหมกายนี่กของถูกรู้น ะ, ะความโลภความโกรธความโลภความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ไปหมดเลย<ะ>ถ้าไม่เขาขึ้มันเกิดตัวรู้ขึ้นมาถูกไหมเพราะเราเคยทำสมาธิมาก่อนคนที่เดรินสติไปเลยไม่ได้ฝึกสมาธิไว้เปน็นจะไม่มีตัวตรู้ไม่ตั้งตัวรู้นะแต่ว่ามีตัวรู้เราก็ไม่ได้เอาไว้ยึดถือเราเอาไว้อาศัยนะอาศัยรู้กายอาศัยรู้ใจไปคุณรู้สึกไหมต่มันโปล่งโล่งบากว่าแต่กอนรู<ะ>้สึกนะ เราไม่ได้เพ่งเราไม่ได้บังคับส่วนใหญ่เราไปว่าภาพการปฏิบัติไว้ผิดความจริงว่าต้องเพ่งเนี่ยมันคือสีชีไฟเพ่งมานานเราก็ชินหนึ่งเราไม่ชินแค่ได้มีสติรู้กายมีสติรู้ใจรู้บ่อยๆรู้บ่อยเนกรทั้งมันเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมารู้โดยไม่จงใจที่คุณวาสังคับรถรู้สึกไหมไม่ได้จงใจครับเสร็จแล้วขันมันแยกออกไปนะกายก็ส่วนกายใช่ไหมเห็นกายขับรถไปเห็นจิตเป็นคนดูไป จะเห็นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไ ป, ปนคือคนล้านคนล้านกันหมดนะอย่างนั้นเนระาดูครับตรงนั้นมันเกิดปุ๊บผมก็กลายเป็นดีใจแทนเพระนี่เองที่ที่หักนะเกิดวานแล้วหายไปเลยดีใจเรารู้ว่าดีใจนะถ้าอยากให้เป็นจะไม่เป็นนะเรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจดูเล่นๆไปเรื่อยถึงเวลาที่เขาขอสมควรแนละ้วเขาก็เห็นเองกลับไปเห็นทั้งมันนะ เห็นทั้งวันเห็นทั้งคืนตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมาอยากจะขอการาแล้วก็ของคุณของคุณก็ทําอย่างเดิม น, นะทำํำไป<ห>ที่ฝึก อ, อยู่ดีแล้วทาสมาธิก็ได้ตอนนี้ยทําได้แล้วเพราะเรารู้แล้วว่าเพ่งเป็นยังไงบางคนนะหลวงพ่อให้เลิกสมาธิก่อนเพราะว่าติด เ, เพ่งนะพอพอเลิกเพ่งแล้วมีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตอะไรเงี้ยกลับไปทําสมาธิพักผ่อนได้แต่ไม่กลับไปเพ่ง ดีเท่านะมโมทนาขอบพระคุณถ pues ึงท่านแํามเผอท่านยกมือเดี๋ยวงานเดือนไม่ขึ้นกรรมการท่านาจารั์อยู่ตรงก้อนได้อ่านหนงือแล้วก็ฟังดีมาอานเรียนนะครับเราพยายามก็เห็นความไม่ค่อยดีไม่ดีของตัวเองหลายอย่าบีก็คิดไม่ถึงนะ ก็มีครบนะอาจารย์ต้องมีทัง้ท ง, งทงัง้ทงหลงทั้งเพ่งทั้งแรแซงทั้ง บ, บังคับอะไรนะครับอาจารย์เราแค่รู้เราไม่บังคับเขานะไม่แทรกแซงไม่ดัดแปลงจิตหลงรู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งรู้ว่าเพ่งเราจะเห็นเลยจิตจะหลงเขาก็หลงของเขาเองอย่างจิตเราเคยฝึกเพ่งมาพอเผลอๆพอคิดถึงปฏิบัติมเมื่อหร่ก็จะเพ่งอีกเขาเป็นไปตามความเคยชินนะ เราบังคับเขาไม่ได้หรอกเขาเคลื่อนไหวเขาเปลี่ยนแปลงเราตามดูไปเราตามดูจิต ด, ดูใจไปเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะให้มันดีไม่ใช่เพื่อให้มันสุขให้มันสงบหรอกความดีความสุขความสงบมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกมันยังเป็นของแปลกรวนรอยู่เราภาวนาเราตามรู้ตามดูไปเราเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเนะี่ยเพื่อวันหนึ่งใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างโชคเรา ภาวนาเพื่อให้ใจมันถึงความจริงตรงนี้ว่าทุกอย่างนึ็นของโช ค, คราวนะถ้าเราภาวนาเแค่ความสุขความสงบอะไรเงี้ยความสุขความสงบอยู่โช ค, คราวเหมือนกันเดี๋ยวก็หายไปพอหายไปเราอยากได้เราก็เดือดร้อนสิแต่ถ้าเราภาวนาแล้วมันเกิดสัญญาเห็นว่าทุกอย่างนึ็นของโชคร่าวคราวานี้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่เดือดร้อนละแต่ว่าใจเราจะทำชั่วไม่ได้เลยเพราะเราสติเราเร็วอย่างที่ท่านแเณรเคยว่าที่เทียวเรเห็นกิเลส กิเลสฝุดขึ้นในใจเราพอรู้ทันนะพอเรา ร, รู้ทันนะเราก็ละอาย ใ, ใจที่จะทำความชั่วนะเรารู้ว่าทำไปแล้วก็ไม่เป็นผลดีนีเรียกว่าเกรงกลัวตับบากระก็จะค่อยๆมีสีขึ้อนอัตโนมัตินะงั้นมีสติมันก็จะเกิดฮีริโอตับบาละอายใจที่จะทำชั่วเกรงกลัวผลของบาปใจก็จะมีสีขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่อยฝึกแต่ใจก็จะตั้งมั่นสงบขึ้นมาพอเรามีสีนะใจเราสงบง่าย มีสมาธิมีปัญญาเป็นลําดับลําดับไปไม่ยากหรอกตอนนี้ท่านอาเภอหนีไปคิดทราบไหมใจไหลไปคิดเอารู้ว่าใจไหลไปคิดนะเชิญตอบไปท่านอาจารย์ให้ซื้พิมพที่บ้านอะไรคะมีหัวข้อว่าท่านไปนเทศที่ให้จิตแท่ฟังนะคะออยากเรียนถามว่ามีหัวข้อสําคัญอะไรยังไงที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปบ้าง แต่องจากว่าที่ร้านฉันเป็นร้านขายยาและจมีพวกที่มีปัญหาทางจิตมาพินยาแล้วก็องการให้เราปลอดใจแล้วก็รักษาให้เราตรวจสารพิษทางจิตด้วยเนี่ยก็สามีเองก็ไม่ตามนะคุยกันหลายชั่วโมงเลยบางทีอยากจะให้ข้อความดีๆกับเขาว่าเอาทีดีดูพ่อไปแจกเข้าไปที่บ้านแจกดีนะแต่ว่าแจกแผ่นไหนดีคะแผ่นไหนก็ได้เหยกันทุกแผนเท่นเหมยกันทุกวันคือคนเครียดนะนี่เป็นเท่ให้จิตแพทย์ฟัง จิตแพทย์เองก็เครียนฝังคนว่าพูดทั้งวันก็เครียดสิใช่ไหมคนเราเครียดได้ว่าใจเราแล้วมันไม่เป็นกลางเั้นเพื่ให้เขาคอยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆสังเกตไหมเขาตุ้มใจได้เขาหลงไปคิดถ้าเมื่อไหร่เขารู้ทันว่าใจเขาหลงไปคิดแล้วนั่นเขาลืมกายเขาลืมใจไปถ้าเขารู้ตรงนี้แล้วเขามารู้กายรู้ใจได้เขาหายเลยแต่อันนี้เฉพาะโรคจิตที่ เกิดทางจิตนะถ้าเกิดจากร่างกายไม่หายนะถ้าเป็นทางร่างกายไม่หายอย่างสมองพิการไปอย่างนี้ไม่หายแต่ถ้าเกิดจากจิตใจมันเครียดอะไรอย่างเนี้ยภาวนาแล้วหายแต่ภาวนานให้เป็นนะภาวนาผิดเราเครียดมากกว่าเก่าอันนั้นใช้ไม่ได้ครัเชิญกลาสรมศการของพ่อค่ะเอ่อคือโยมมาเลยได้ซีดีแผ่นในเวลาก็เปิดไฟต้องใช้คําว่า เรามีบุญได้สิมาแข่งบางเอื้อนไม่มีแด้ร้อเพลงก็แบบเปิดฟังบ่อยมากนะคะเดี๋ยววันนี้ได้อีกแผ่นะค่เอี๋ยววนี้ก็ไปเปิดเว็บไซต์ทั้นะะก็อยางจะไปปฏิบัติธรรมที่บ้านขอพ่อมากเลยก็วันนั้นก็ดีบางเอื้ก็ได้บังเอิ้ออีกแล้วทัวรลูกสาวก็ขับรถไปไปถึงบาเห็นไหมเรามีเจตนาใช่ไหย เจนลูกสาวขับรถไปที่มีพังเอื้อนมีแส่กรรมล้วนๆเลยแต่วัดอีกนะโอ้นี่ไม่ได้เปิดข้อมูลเปิดดูไม่ไม่หมดไอ้นี้ก็กลับมาบ้านก็มาดูคือไอ้ที่ตาปฏิบัติทำนมาจะไม่ดีเลยนะรก็แบบมันจยาวานมากเลยปี 54-55 อะไรเหรออยู่ที่จะอยู่วัดเหรอปี่61ตั้งหาก แต่ทอนทนี้เราครอบปิดแล้วไม่ได้ให้จองโยงอยู่ที่ไหนล่ะอโอ้ขับรถไปฟ้าเออขับรถไปนไ<ม>ี่แหละให้น้องขขเขาพาไปนะคนมันต้องไปเที่ยวเยอะแยะนะคนเมืองชนไม่ไปฮายเขานะ <c oughs> <c oughs> เขามาถึงทั่วประเทศเลยแล้วมีปัญหาอะไรพ่อคะถ้าเกิดได้บางทีนะที่มีโยงอยู่คนนพืที่แล้วพ่อ บอกว่าที่เขาทําไม่เป็นนะแล้วเขาปฏิบัติเอาลเจากที่เขาได้ทําเป็นชีวิตประจำวันเราปฏิบัติได้นะก็ได้ได้ได้ฝึกในชีวิตรวประจำวันนะเราพอ ร, าาารอู้ตั้งแต่ตื่นเลยเป็นแค่ราชการหรือเปล่าเป็นแค่เป็นนะลองนึกดูสิตื่นเช้าวันจันทร์ความรู้สึกไม่เหมือนตอนตื่นเช้า ว, วันศุกร์รู้สึกไหเ <c oughs> นี่ยเราคอยวัดใจตัวเองไปเรื่อยหลวงพ่อรู้ดีเลยเพราะเป็นราชาการมานา น, น วันจันนี่นะเบื่อที่สุดขี้เกียจที่สุดเลยวันรังคารนี้ก็แห้งแรงใช่ไหมวันพุดสุดเบื่อเลยต้องพลวยจะมาฟังเทศน์บ้างพอวันพฤหัสเนี่ยเริ่มมีความสุขแล้วถึงวันศุกร์นะนึกขึ้นได้ว่าวันสุกร์ใจว่าประดีษฐ์ดาเนี่ยเราเคยรู้ความรู้สึกของเราความรู้สึกของเราแต่ละวันไม่คือเหมือนกันในวันเดียวกันเช้าสายบลายเย็นก็ไม่เหมือนกันเราเคยรู้ไปจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบ ตาเรามองเห็นเห็นคนนี้ดีใจเห็นคนนี้เกลียดหูได้ยินเสียงเนี่ยคนนี้ก็ชมคนนี้ก็ด่าเสียงเพลงนี้เพราะเพลงนี้ไม่ไม่ชอบมีหมาเห่าตอนดึกตอนจะนอนเนี่ยลำคาญเนี่ยหูไปได้ยินเสียงความรู้สึกเราก็เปลี่ยนจมูกเราได้หลิ่นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนลิ้นเราก็ได้รสชาตินะอร่อยอร่รยหรือไม่อร่อยเนี่ยความรู้สึกก็เปลี่ยนกายกระทบสัมผัสอย่างหนาวๆอย่างนี้แล้วลมโชยมาลมหนาวๆ่วยมาสดชื่นไหม จสยองนะใครอยากรู้รสชาติของชีวิตแนะนํำนะวันนี้เราไปอาบน้ําในตุ่มดู <c oughs> เห็นตุ่มก็สยองและ้ะใครเคยอาบน้ําในตุ่มไหมเนี่ยถ้าใครไม่เคยนะนีแต่เครื่องทําน้นนําอุ่นอะไนี้ชีวิตไม่มีรสชาติเนี่ยกายกระทบสัมผัสในความรู้สึกก็เปลี่ยนอย่างกำลังร้อนๆ อ, อยู่ได้รับน้ําเย็นๆใช่ไหมลากลงไปพอใจกำลังหนาวๆ น, นะน้ํายังไม่ทันถูกตัวเลยแค่เห็นตุ่มน้ําก็กลัวแล้ว ให้เราครรู้ทันใจของเราเราทํางานไปวันนี้คนมาติดต่องานเราจู้จีเ้เราเกนเห็นแลาวราคาญหรือว่าราคาญวันนี้นายชมดีใจหรือว่าดีใจนี่คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนใจเป็นขณะขณะไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งจิตมันจะสรุปได้ว่าความรู้สึกทุกอย่างนะเป็นของชั่วคราวเราภาวนาแทบเป็นแทบตายเนยะเพื่อวันหนึ่งเขาจะสรุปนะว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวไม่ใช่เพื่อเอาดีอะไรหรอก ถึงตรงนั hmm. ้นน really. mm ั hmm. In mm ้ม hmm. yeah. mm ันดีจริงๆใจลอยรู้จักใจลอยไหมเออใจลอยก็คือลุการลุดใจเคยส่งคำว่าของพ่อนะคะแล้วหลวงพ่อบอกว่าใจว่างเสียเวลาถ้าเกิดดีกว่านั้ะคะเวลาวันนี้ปัจจุบันนี้นะะดีขึ้นแล้วดูสึกรู้สึกไหมมันกลับมาอยู่กับโลกได้เยอะขึ้นแล้วรู้สึกไหมแล้วไปอยู่ว่างๆไม่มีอะไรสบายไปเผลอๆไปวันๆเท่านี้ หน้าที่ของเราชาวพุทธนะไม่ใช่ไปวิ่งหาความสุขในความว่างๆนั้นพระพุทเจ้าสอนให้เรารู้กายรู้ใจให้เราเจริญสติปัฏฐานนะเราคอยดูกายทํางานดูใจมันทํางานในตอนนี้ใจไปคิดรึปะไหมใจไปคิดก็รู้ทันว่าใจมันไปคิดนะคอยรู้เรื่อยๆแตจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงดีขึ้นละรู้สึกตัวไหมว่ามันดีขึ้นรู้สึกไหมว่ากิเลสเกิดบ่อย บางทีก็ทันนิดนึงโอ้นั้นเราต้องสื้อสีไว้ก่อนถ้ากิเลสเกิดถนะ้าถ้าเราไม่ทันนะ่เดี๋ยวเราไปด่าใครไปดีใครอนะไรนั้นเรามีสีนนะใจม่โกรธขึ้นมาแค่รูนะ้ไม่ห้ามเราไม่ห้ามจิตใจนะถ้าห้ามมันเก็บกดแต่เราควบคุมกายวาจาไม่ให้ทําผิดนะเรองนี้นเรามีสีนนะเป็นกรอบนะดูเอาไห้ขี้โมโหเห็นมไหมใจเป็นขี้โมโห สวัสครูฮองออดีสวัสดีภูมคือคูมขึ้นมาชนิดหาษาครับคือคูวว ม, มาภาวนาไปแล้วมันมันมดีนะมอนที่ตายันเป็นปกติแต่เวลาเจอปัญษาแรงๆแล้วมันมันกระทบตัดมันรู้ไม่ได้ครับภาษาแรงๆแล้วมันเหมือนบททดสอบเรานะถ้าภาษาแรงขึ้นมาแล้วเราก็ทําไม่ได้แสดงว่าเรายังฝึกน้อยไป เรื่องใบนเดียนะ๋ยวพี่นเราก็ดูบ่อยๆนะดูให้มากวันนี้ยังไม่เก่งไม่เป็นไรดูบ่อยๆวันนั่งก็เก่งอย่างบางคนไม่ค่อยมีอะไรมากระทบนะบอกใจสงบอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ยังไม่เก่งจริงอ่ะต้องทดสอบนะันที่มีอารมณ์แรงๆมากระทบเราผิดหวังแรงๆเสียใจแรงๆเราจะรู้เลยว่าเราภ า, านาได้ขนาดไหนที่ภ า, านาอยู่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีสังเกตไหมใจมันแยกออกไป แต่แต่คือมารู้สึว่าเวลาใจมันปกติมันไมอยู่แค่ยาวมันไปต่อไม่ได้ไม่เป็นหน่อรู้กายไปรู้ใจไปดูเขาทํางานไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเขาดูวันเจ็ดมันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรนี้ดูไปเรื่อยดูไปเปนมันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างช่วคราวตอนนี้มันยังไม่ยอมมันยอมบ้างไม่ยอมบ้างรู้สึกไหมบางทีก็ยอมบางทีก็ไม่ยอมมันยังไม่พอ ดูอีกดีขึ้นเยอะแล้วเจอกันครั้งนี้พอนานดีขึ้นเยอะนะมีกว่าแต่ความเยอะเลยหลวงพ่อแค่ช่วงที่มีสภาวะเยอะมากแล้วช่วงไหนที่ไม่มีสภาวะ <c oughs> ไม่มีหรอกนะที่เราที่เป็นคนเออต้องเจอปัญหาเยอะ <c oughs> ใจก็โกรธบ่อยแล้วทําไงดีเนี <c oughs> ่ยรู้คําตอบอยู่แนละ้ว <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่ามันหยอมไม่ได้ <c oughs> แค่ในใจเป็นกลางรู้ทันรู้อย่างนั้นไม่ต้องแทมเป็นกลางหรอกมันไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางจิตเป็นอนัตตานะสั่งมันไม่ได้มันไม่เป็นกลางก็รู้ไปจะไปข่มไหมรู้สึกไหมให้ไปข่มมันไม่ความเครียดแค้นทั้งหลักเลยดูมันปล่อยมันทํางานไปถ้ามันทุกข์มากจริงๆก็ท่องคาถาหลวงพ่อให้นะจําได้ก็เรามีคาถาที่พิเศษที่สุดเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ไม่มีเราความทุกขที่ไม่ผ่านน่ะแ่มันเประการเปพ่อครับว่าไงรู้สึกตื่นเต้นคธรรมดาผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่รู้เป็นไงครับแต่ว่าความอยากลดน้อยลงมานาดีขึ้นสิบใจมันโปรง่งร่องเบามากขึ้นดูได้ ร, รู้ตัวได้บ่อยขึ้นะคอยดูมันทํางานดูมันทํางานไปเรื่อยๆไม่บังคับนะ พอเราตื่นเต้นเราก็ไม่อยากให้บางไม่อยากตื่นเส้นไม่กดเอาไว้ใจก็ครียดเครียดถ้าตื่นเส้นก็แค่รู้ว่าตื่นเส้นเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นสบายๆใจหลงไปคิดดูออกไหมเวลาที่ใจไหลไปคิดนะรู้ทันมันก็หลงกันนะไม่ห้ามนะแต่รู้บ่อยๆให้กันบ้านนะใจหลงไปคิดแล้วรู้ใจหลงไปคิดแล้วรู้ไปทำตรงนี้นะแล้วตัวรู้นี่กับความคิด คนละตัวสินอนนตัวรู้ตัวรู้คตัวจิตนะความคิดเป็นสิ่งที่จิตปลุงขึ้นมาอย่าบังคับเลยนะของคุณผู้ชายอย่าบังคับตัวเองอยู่หล่ยให้มันเคลื่อนไหวไปแล้วมีสติตามรู้มันไปสิ่งที่ให้กันบ้างก็คือจิตแอบไป ค, คิดรือว่าจิตเผลอไ ป, ปคิดแล้วตอนที่จิตเผลอไปคิดเนี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเอง มีกายก็เหมือนไม่มีละลืมไปอย่างขนาดนี้ยรู้สึกไหมลืมร่างกายไปแล้วมีจิตใจนะจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจดีจิตจะชั่วไม่รู้เลยหมดแต่ไปรู้เรื่องที่คิด น, ะนั้นความคิดนี่แหละปิดบังความจริงทําให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้เมื่อไหร่เราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เราจะอยู่ในโลกของความจริงเราจะรู้กายรู้ใจได้ดังนั้นอย่าไปหลงคิดอยู่นานๆ น, นะคิดเป็นวันๆเสียเวลานา น, านใครรู้สึกบ้างคิดทั้งวัน มีใครรู้สึกไหมคิดทั้งวันจิตมีหน้าที่คิดนะแต่เวลาที่จิตคิดไปแล้วให้เรารู้ทันว่าจิตกําลังคิดอยู่ถ้ารู้ทันว่าจิตมันคิดนะจิตมัจะตื่นขึ้นมาเป็นภาวะที่แปลกภาวะแห่งความตื่นไม่รู้จะบรรยายเป็นภาษามนุษย์ได้ยังไงแต่ถ้าเมื่อไรเรารู้ว่าจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดนะไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดคนทั่วๆไปรู้เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตแอไปคิดออกถ้ารู้ว่าจิตแอไปคิดนจิตจะตื่นขึ้นมา เถ็นได้แบบหนึ่งนะเดี๋ยวก็หลงใหม่เชิญกาะมาต้องการหลวงพ่อค่ะก็คือเอื่อประมาณวันสองสาวันเมืเนี้ยค่ะมีโอกาสช่วงดีที่ได้ช่งดีไม่มีนะคือได้ได้ฟังงของหลวงพ่อค่ะประมาณก็ือสองวันที่แล้วค่ะแล้วก็ได้ไปที่วันโนอาทิตย์นะคะก็ฟังแล้วรู้สึกว่าเอมันธรรมธรรมะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาแล้วเราก็อยากจะปฏิบัตินะคะแต่ทีนี้ว่า ก็คือเพิ่งจะเริ่มฟังแล้วก็คือยังรู้สุกความสับสระหว่างอธรรมะจิตกับกายค่ะเราเป็นตักทีมคนชอบคิดมากที่หลายเรื่องในแต่ละวันเราไม่ต้องวิเคราะห์มากนะง่ายๆเลยคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเห็นแก่นในใจเราเราคิดเรื่องนี้เกิดความรู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้คอยรู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยๆนะแล้วนี่เนี่ยหนู่ะควรจะเออ อ่อวาดูจิตไปเลยนะเพราะว่าเป็นคนช่างคิดะแต่ของควรสุดท้ายก็ต้องดูกายด้วยแหละเพราะมันรักสวยรักงามด้วยรักสวยรักงามรักสุขรักสบายอย่างเงี้ยเราจะดูกา ย, ยะแต่ตอนนี้ดูจิตไปก่อนสังเกตไหมจิตเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนั่นแะใครรู้อย่างนั้นดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ดูให้มันนิ่ง หลายคนเข้าใจกิดว่าถ้าภาวนาเป็นแล้วจิตจะนิ่งจิตที่สงบจิตที่มีความสุขอะไรนั้นเป็นปลายทางเป็นผลของมันเราตามดูจิตมันทำงานจิตไม่อยู่กับที่เลยนะเห็นแต่ความเปลีป่ยนแปลงโดยอย่างนั้นการรัศการค่ะผมก็ลองพยายามฝึกสมาธินะคะอาจจะได้แค่เริ่มต้นคือฝึกมาาแต่ว่าตอนนี้น คือก่อนที่จะจะนิ่งนไงค่ะรู้สึกเหนื่อยเครียดก็ต้อง <Ừ. S 2> หมายคกว่าเราบังคับไปอย่าบังคับสิวิธีจะให้จิตสงบนะต้องให้จิตมีความสุขก่อนความสุขนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความสงบอย่างเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งหนะังสือนี้เราอ่านแล้วเราชอบมีความสุขนะเราจะมีสมาธิในการอ่านหนังสือเราทํางานที่เรารักและมีความสุขกับการทํางานนั้นเราจะมีสมาธิในการทํางาน การปฏิบัติทําเหมือนกันนะถ้าเราบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขรู้ลมหายใจไปอย่างมีความสุขจิตก็จะสงบอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นนั่นเอย่าไปบังคับไปกดขี่จิตนะถ้าจิตไม่มีความสุขจิตจะไม่มีความสงบเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําใจให้สบายสบายสบายสบายนะส่วนใหญ่ทําใจสบายไม่เป็นทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติเนี่ยนะจะกดขี่จิต ใ, ใจตัวเองทันทีเลยเช่นอย่างนี้ ต้องนั่งก่อนต้องวางฟองก่อนใช่ไหมบังคับกายก่อนแล้วก็บังคับจิตนี่อย่างนี้ก็มีนะอีกพวกหนึ่งก็บังคับให้เคลิ้มนอนเราบิดเปือนไตลอนเลยเพราะฉะนั้นตอนแรกเราต้องต้องสบายค่อยๆไปค่อยๆใหญ่แล้วก็ค่อยๆดูไปสบายๆนะต้องสบาย ความสุขเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบเพราะ้เรารู้ว่าอย่างมีความสุขอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กๆชอบหายใจชอบดูลมหายใจหายใจแล้วมีความสุขแล้วเราหายใจแล้วเราก็รู้สึกตัวไปหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ได้หายใจแล้วน้อมให้ซึมนะหายใจแล้วรู้สึกตัวายใจนี่ไม่หนีไปไหนใจสงบใ่มันมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิต้เหมือนเด็กเด็กซนๆหนีไปจากบ้าน พ่อแม่เรียกให้เข้าบ้านเอาไม้เรียวไปไล่ตีเข้ามานี่ไปบังคับมันมามันไม่มีความสุขเหลือเมื่อไหร่ก็หนีไปอีกนี่ถ้าเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็มีอุบายชวนมันกลับมากินขนมที่บ้านเมืากินไอศกรีมมาอะไรเนี้ยนะมาทําตัวให้สบายดูประตูอยู่ในบ้านมีอารมณ์ที่มีความสุขมาล่อมันเด็กก็ไม่เหนียวไปจากบ้าน เหมือนกันนะจิตนี้ก็มีตลอดเวลาแต่ถ้าจิตมีอารมณ์ที่มีความสุขจิตจะไม่หนีไปไหนดูแลจิตเราเหมือนดูแลเด็กอ่ะอย่าไปตีมันอย่าไปดูมันมากนะดูแลให้มันมีความสุขแล้วมันไม่หนีไปไหนแล้วที่จิตนิ่งโดยการบังคับไม่ถูกหรือเปล่าไหมแล้วมันไม่สบายนะนิ่งโดยการบังคับไม่เพืมีความสุขรู้สึกไหม ม, ม, มีสติๆแล้วสุขมั้ยไม่มีนะถ้าบังคับอะถ้ามันสงบไปตามรู้ตามดูแล้วมันสงบลงไปไม่มีความสุขนะ<ม>งั้นอยา่าไปนิ่งด้วยการบังคับเลยเหนื่อยมาๆเร า, าเมาดูทางหลวงพ่อเ่อเราได้โทรฟังไปยินส่วนปฏิธาณมาค่ ะ, คะแล้วทันนี้ผมได้อ่านกับพระทีมามมว่า นอนนิ <si ่งเงีบๆแล้วมีช่วงเงที่นนอนหลักแล้วรู้เห็นสิงของหมุนออกไปจากกาืแล้วเปนึงสองครั้งค่ะครั้งที่สองนี่มีความเหมือนกับว่าได้ยินเสียงของพ่ออ่ะว่าตอนนั้นเัิเอภาวะที่ตกใจแล้วก็ได้ยินเสียงของพ่อว่ากลัวให้รู้ว่ากลัวก็เหมือนแหละแื้วมันก็เหมือนกั <ม>ของหนูเอ้าี่ยทีนี้เพื่อชีบอกว่าเป็นการเพื่อ่อให้หนูเลิกเลิกเลอกปฏิบททัติตามรูปแบบอะค่ะให้ให้ให้ทำเหมือนแบบทำงานบ้านไปอะไรไปอย่างเนี้ยค่ ะ, ะตอนนี้คงคงแม่ชีผมไม่ได้ให้เลิกปฏิบัติหรอกตอนนั้นคงจะเพ่งเครียดมากไม่ชีดถึงให้เลิกนะไม่ใช่แค่ว่าเห็นกายมันแยกจิตมันแยกแว่าให้เลิกหรอกนะ ตอนนี้จิต ด, ดีขึ้นดูออกไหมทํางานบ้านไปอย่างที่แม่ชีสอนแล้วแนละ้ะทํางานไปแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวทํางานไปแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวนะที่แม่ชีให้เลิกเลิกนั่งสมาธิก่อนเนะพราะนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี้อย่างสินั่งแล้วเคลิ้มนั่งแล้วอย่างน้นอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่นั่งแล้วมีสติถ้ามีสติก็ไม่ให้เลิกหรอดูไปดูกายมันทํางานไปนะ แค่แค่ภานาไม่ยากอะไรการปฏิบัติทําง่ายจะตายไปอามเรื่องการของพ่อค่ะเคยส่งการต้องพ่อครั้งแล้ค่ะอ่ารู้ว่าตอนนี้อนูพ่าแม่้างไหมค่ะหนูพ่อจำไม่ได้ว่าครั้งก่อนทํากันได้ไม่เท่าไหร่ทเคยบอกว่าอ่าวนาดีค่ะแต่ไม่แน่ใจตัวเองว่าตอนนี้ไปดูไปดูใจที่ฟูกสซ้านนะใจมันฟูกสซ้านเก่งรู้สึกไหมนะ แต่ฟูซ่านรู้ว่าใจฟูซ่านดูอย่างนี้รู้ไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่ามันเหี่ยงกับรูปโผล่รูปบ่อยมากนั่นแหละรู้ทันนะมันไปฟูฟูฟูไปมั้เหี่ยงแล้วแเวลามีความสุขไหมเห็นไหมมันสั้นนิดเดียว<ะ>ความสุขมันสั้นนิดเดียวรู้สึกไหมในบางครั้งมันซึ้งๆมมีความสุขอ่ะมันแค่เราติดสุขไห้คไม่ติดหอกเราภานาแล้วมีความสุขขึ้นมาเหรอ ในบาครั้งมาบ้านเพลินนะคะใช่เพลินไม่เอาผิดแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเอง <c oughs> เอ่ะต้องรู้กายรู้ฝัต้องรู้กายรู้ใจนะถ้ามีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขมีความสุขแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะไม่ใช่มีความสุขแล้วเพลิน เ, นเินนะแารึกขอพอนี่ยค่หนูได้ไปผ่านตามทีที่ได้มาแว่า ก็ม่คนคิดบ้างไม่เห็นข้าว่าตอน ท, ที่คิดว่าตัวเองรู้ไม่เห็นขาวว่ารู้รือว่าคิดก็รู้ก็ <c oughs> รู้สิเป็นเกียให้แม่เราไม่เหมือนเดิมดูออกไหม <c oughs> ต่เราโปร่งโรคเบารู้เนื้อรู้ตัวแลื่ไปขึ้นไปขึ้นนะถ้าเราภาวนาถูกต้องมันจะมีพัฒนาการที่มองเห็นได้แล้วพัฒนาเร็วด้วยไม่ใช่ช้านะไม่ใช่ทําอะไรปีเหมือนเดิมหลายปีเหมือนเดิมแสดงว่าทําผนะิดอะไร แล้วก็เป็นผ่ไปตออย่างนี้ได้ไหมดูไปเรื่อยๆนะโอเเออแล้วมันโมหะเองเทอีกว่าโมหะก็เยอก็รู้ไปโมโหขึ้นมาก็รู้ไปอุณท่าใครใจลอยบ้างมีไหมใจลอยใจลอยใจลอยอ๋อใช้ได้หลวงพ่อเกียรตนามยกใช้ได้ถ้ารู้จักใจลอยแล้วภาวนาง่ายนะหลวงพกอครับ คอมบอกผมเร่องปัญหาสุท้ายนะครับก็คือผมฟังด g ของหลวงมาก like ็หลายเรื submarine submarine <ED> ่องยังไม่เคยมีใครหามคำถามที่ผมจะถามหลวงพ่เลยนะครับไม่งั้จะไปรบกวนเามหลงพ่อไปเลยหลวงพ่อว่าเวลาผมนอนหลับเนี่ยฝันมากมายเลยไปแกล้งอะไดีวะจิตจิตฝันเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะร่างกายไม่สบายก็ฝันนะ ใจเรากลางวันเรี่ยหมกมุ่นอะไรมามากๆ ม, ม, มันก็ฝันเพื่อระบายความเครียดก็ได้นะ <c oughs> เหตุของความฝันมีทั้งหลายอย่างคือแต่ก่อนมั่นก็ไม่เป็นนะออผมคิดว่าผมทำามาธิผิดวิธีเพราะว่าก่อนหนะ้าที่จะเจอวีดีของหลวงพ่อเนียครับผมก็คือฟังของหลวงพ่อแล้วลเรียนรู้เลยว่าเมื่อไหร่ปฏิบัติแก่อนมาผิดอมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ทำให้มันแต่ว่ามันเป็นฝันแบบคืนโ เริื่อเรื่อยแต่แต่แต่แต่นานวันนานวันเขาทุกวันเลยนะครับมันฝันมากมายก็คือแทบจะไม่ยดอนเลยครับก็จริงร่างกายมันนอนนะร่างกายมันนอนแต่จิตเนี่ยมันตื่นเร็วกว่ากายร่างกายต้องการพักวันหนึ่งหลายชั่วโมงแต่จิตเนี่ยมันพักนิดหน่อยมันก็ขึ้นมาทํางานแต่เดิมจิตมันขึ้นมาคิดจิตมันคิดนั่นแหละฝันก็คือคิดนั่นแหละคิดตอนนอนหลับเราเรียกว่าฝันจิตนั้นมีธรรมชาติคิดนะ มันพักผ่อนพอสมควรแล้วมันก็ขึ้นมาคิดอันนี้หมายถึง<ม>กรณีปกตินะถ้าอย่างร่างกายไม่สบายอะไรเงี้บางทีก็ฝันฟุง้งแต่มันไม่ปกติตรงที่ว่าพอไล้รับเอเดนมาแล้วเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่ได้นอนเลยเทียร์ว่าต้องนก็โผล่หัวเรื่อหัวทื่มันเป็นอย่างนี้มาสองสมเดือนแล้วคือเก็แบบนี่อยากจะดูหลวกพ่มากเลยอ่ะก็หลวงพ่อของใคือคือคือจริจริงไม่ยากอะไรนะ ใจเราไม่เป็นกลางกับมันอย่างเช่นใจเราไปกังวลว่ามันนอนไม่พอมันทําให้เครียดในความเป็นจริงคนเราไม่ต้องนอนเยอะเท่าไหร่หรอกจิตใจเนไม่นอนมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามันตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกไปนะดูกายทํางานดูใจทํางานทําใจซะว่าเป็นบุญลูกทุ่นจะได้พานาทั้งคืนอไ่ไม่มากไปหรอเไม่มากไปเป็นมากถ้าใจเรายอมรับได้แนละ้วใจจะสงบ ใจมีความสุขตอนเรียกใจเรากังวลว่ามันคิดตลอดคืนเป็นฝันตลาดคืนกังวลไหมอดไม่กังวลพอมันเจอดีๆหลวง่อทีก็ลงลงไปได้เยอะแต่พอพยายามที่จะแบบว่าไ ม, ไม่ไม่กังวลยังไงแต่ต้องฝ่ายน้องใหม่มั น, น, มนมเดิมห้าไม่ได้หรอกนะจิตมันจะทํางานแล้วบางคนนะบางคนมันเป็นจากร่างกายก็ไม่หร อ, อกข้าวเคยเจอคนหนึ่งสมองเนี่ยสปะตลอดคืนเลยอันนั้นเป็นทางร่างกาย เพราะคุณไม่ได้เป็นอย่างเขาหรอกผมที่รับผิดได้ก็คือที่ฟองพ่อคือตความผิดไอ้ที่ผิดมันเป็นอดีตไงหมดละตอนนี้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆไปแล้วอย่าไปกังวลว่านอนไม่พอร่างกายมันหลับนะจิตทหาที่มันไม่หลับเพราะั้นร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนบางทีนะบางทีภาวนะาได้นอนนอนอยู่เนะี่ยจิตมันถอดออกมาเห็นร่างกายนอนอยู่ไปเป็นนะม เห็นร่างกายนอนนะสั่งให้มันกระดุกระดิกก็ไม่ได้นะโอ้นั่นนั่นแหละร่างกายมันยังหลับอยู่นะมันได้ภัพอยู่แล้วจิตต่างอะไรที่ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กังวลสัอย่างเดียวจิตก็ไม่เคลียร์หรอกถ้าร่างกายมันได้นอนอยู่แล้วดีนะภาวนาเห็นตอนนี้แหละภาวนาดีสติมันเกิดบ่อยดีเกินไปอยากนอน ของหลวพ่อครับหลวงพ่อปเป็นนะตอนนั้นรับราชการอยู่แต่เราก็ชอบนั่งสมาธิทุกวันอนะ่ะมีไปต่างจังหวัดเนะยังเป็นผู้น้อยในห้องหนึ่งต้องนอนสองคนรวมเมรหลวงพ่อมันเป็นล่นลน้องอีกทีแล้วพอเราหลับไปนะแล้วมันตื่นขึ้นกลางคืน่ะมันเห็นหลวงพ่อนอนอยู่คนหนึ่งนะหลวงพ่อนั่งอยู่อีกคนหนึ่งนั <laughs> ่นว่าหลวงพ่อเลี้ยงผี น, งนั่งจูงโป้กลางคืนเลย จิตมันแกักายมันแยกออกมารู้สึกมัไหมกายมันนอนบางทีกายมันกลนได้ด้วยนะออดูออกไหมนะจิตมันอยู่ทางหาสติของคุณดีไม่ใช่เป็นปัญหานะเพียงแต่ว่าเราเคยชินที่จะนอนนานๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ไน่ ร, รู้ตัวเราเคยชินอย่างนั้นเราบ้าอย่างนั้นดีจบละมั่งไม่มีแล้วนี่นทางเมืององนิ่งจังหวัดชลบุรีนะครับแล้ว ได้มาฟังประธานของอาจรสมโชสมโภชชว์ผมก็ขอญาติขอพระคุณอาจารย์สมโภชสมโภชโชในโอกาสนี้นะครับที่ได้ยุนาให้เวลากับอักศึกแล้วก็ผู้ป็นประิธา ภาวนานะภาวนาไม่มีอะไรดีเท่าภาวนาเองวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์ให้ได้นะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทุกข์ตลอดกาลถ้าภาวนาวันนึงเราพ้นทุกข์เป็นได้เลยเี่ยหลวงพ่อไปก่อนเราต้องให้พมจะจะไม่ขาดหลอดอ่อนท่านพระสิห์ท่นปดไปพูดแทนะเพื่อเเข้าวของการแบบนี้ขึ้นไขึ้นไป ตั้งใจนะตัใจทำใจให้สงบอุทิส่วนบุญของเราให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้สวธทั้งหลายนะตั้งใจยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนตีสาพลังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดระเมวาสมิฉตุ สัพเพกูเรนตูสังกัปปะกันโทพันรารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพะโรโควินัสตมาเตพวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังหุทาปัจจายิโนจักตารโรธรรมมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง